พระบรรดานนทานสีขาวคนโลภ ก, กับคนขี้อิจฉาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคนโลภ ก, กับคนขี้อิจฉามาเจอกันนานมาแล้วมีชายสองคนเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งมีความโลภเป็นนิสัยชื่อว่าพิสารอีกคนหนึ่งมีความอิจฉาเป็นนิสัยชื่อว่าทวินพิสารกับทวินนั้นคบหาเป็นเพื่อนกันมานานแล้ว แต่จัดอยู่ในประเภทเพื่อนกินมากกว่าเพื่อนตายเพราะทั้งสองไม่เคยมีความจริงใจมอบให้แก่กันแต่ที่ยังคบกันได้อยู่จนทุกวันนี้ก็เพราะไม่มีใครอื่นอยากเข้ามาคบหาสมาคมด้วยวันหนึ่งพี่สารได้ข่าวว่าตรงสารพภรูมิท้ายหมู่บ้านมีเทวดาองค์หนึ่งมาสิงสถิตให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านที่เดือดร้อน ความโลภที่เป็นนิสัยพื้นเพของพิสารได้สั่งให้เขาเร่งรีบเดินไปท้ายหมู่บ้านเพื่อขอพรจากเทวดาให้ตัวเองมั่งมีเงินทองมากกว่าผู้ใดเมื่อไปถึงสารพระภูมิท้ายหมู่บ้านพิสารก็ก้มลงกราบไหว้สารพระภูมิเป็นการใหญ่พร้อมกับอ้อนวอนขอให้เทวดาซึ่งสินสถิตยอยู่รับฟังคาขอของเขา ฝ่ายเทวดานั้นเมื่อเห็นพิสารก็ยังรู้ด้วยวิทญาณวิเศษทันทีว่ามนุษย์ผู้นี้เป็นคนโลภไร้ซึ่งคุณธรรมและไม่สมควรได้รับการช่วยเหลือจากตนแต่เพราะเห็นว่าพิสารเฝ้าอ้อนวอนอยู่นั่นแล้วเทวดาจึงยอมปรากฏกายขึ้นเพื่อพูดคุยด้วยว่าอย่างไรเจ้าเทวดาทักทายพิสาร พิสาเห็นเทวดาปรากฏกายออกมาทักทายก็ดีใจมากรีบละล่ำละลักพูดกับเทวดาว่าท่านเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ข้าได้ทราบข่าวมาว่าท่านเป็นเทวดาที่มีเมตตานะักท่านให้ความช่วยเหลือชาวบ้านพ้นความเดือดร้อนมาแล้วมากมายดังนั้นข้าจึงอยากขอความช่วยเหลือจากท่านบ้างที่ว่าข้าได้ช่วยเหลือคนนั้นเห็นจะไม่ผิด แต่ข้ามิได้ช่วยเหลือทุกคนที่มาร้องขอหรอกนะเจ้าข้าช่วยให้คนที่ยากจนมีเงินทองพ้นจากความเดือดร้อนหากเขาขยันขันแข็งทำมาหากินมากพอข้าให้พรแก่มานหนุ่มที่จะไปสอบเข้ารับราชการให้สามารถสอบผ่านได้หากเขาภาคเพียนใฝ่รู้เป็นนิสัยข้าช่วยหญิงมีบุตรยากตั้งคันได้ง่าย แต่นางต้องเป็นผู้ทำกรรมดีมาก่อนเป็นเวลานานแล้วข้าช่วยทุกคนที่เป็นคนดีมีคุ ณ, ณธรรมมักทำคุณประโยชน์แก่ผู้อื่นเพราะบุคคลเหล่านี้คือผู้ที่ข้ามั่นใจว่าเมื่อให้พรแก่พวกเขาไปแล้วพรของข้าจะไม่มีวันสูญเปล่าและก่อให้เกิดประโยชน์สุขเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นๆด้วย เทวดากล่าวให้พี่สารได้รู้ตัวเป็นในๆแต่พี่สารไม่รู้จักคาว่าคุณธรรมเขาเป็นคนเขาและมีแต่ใจที่คิดอยากได้อยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่ว่าเทวดาจะกล่าวอะไรมาก็ตามเขาก็คิดว่าเขาคือผู้ที่เทวดาสมควรมอบสิ่งที่ร้องขอให้เพราะเขาอยากได้สิ่งเหล่านั้นมากมายเหลือเกิน ข้าก็เป็นคนดีนะท่านเทวดาข้าก็ทำงานหนักเหมือนกันแต่ทำเท่าไหร่ก็ไม่เห็นจะมีเงินมากเท่าคนอื่นเขาสักทีพิสารว่านั่นเป็นเพราะเจ้ายังพยายามไม่พอเทวดาตอบเพราะอย่างรู้ด้วยญาณวิเศษอีกเช่นกันว่าพิสารไม่ใช่คนที่ตั้งใจทำงานหนัก แต่ข้าอยากได้เงินทองมากกว่านี้ได้โปรดเถิดท่านเทวดาข้าอยากได้เงินทองมากกว่าที่ข้ามีอยู่ในตอนนี้สักพันเท่าพิสารยังคงอ้อนวอนขอพรเทวดาต่อไปโดยไม่ฟังอะไรเทวดาคิดว่าป่วยการที่จะสอนคนเขา่าให้สํานึกได้ด้วยการพูดจาสั่งสอนดังนั้นเทวดาจึงกล่าวแก่พิสารว่า ก็ได้ข้าจะให้พรตามที่เจ้าขอแต่เชื่อเธอว่าเจ้าจะไม่มีวันมีความสุขจากทรัพย์สมบัติมากมายที่เจ้าต้องการหรอกกลับไปที่บ้านของเจ้าเถิดข้าได้เนรมิตเงินทองมากมายไว้ให้เจ้าที่นั่นแล้วกล่าวจบร่างของเทวดาก็หายลับไปในสารพระพูิส่วนพิ่สารก็รีบวิ่งกลับบ้านเพื่อไปชมเงินทองมากมายเหล่านั้นทันที เมื่อมาถึงบ้านพิศสารก็ต้องตกใจมากเพราะทวินมานั่งอยู่ในบ้านของเขาแล้วอีกทั้งยังโกยเงินทองมากมายที่กองอยู่ในบ้านของเขาขึ้นมาเพ่งพินิจ ด, ด้วยดวงตาที่มีความหมายวางเงินนั่นลงกับเพื่อนทพราทั้งหมดนั่น่ะมันเป็นของของข้าพิ่สารตริงทวินพร้อมกับแย่งเอาเงินทองในมือของทวินมาใส่ในกองอย่างเดิม เจ้าไปเอาเงินมากมายไก่กองเช่นนี้มาจากไหนกันนะเพื่อนจะว่าเป็นเงินที่ได้จากการทํางานก็เห็นจะไม่ใช่เพราะเราก็ทํางานด้วยกันมาตลอดค่ามีเท่าไหร่เจ้าก็ควรจะมีเท่านั้นสิถึงจะถูกทวินถามด้วยความสงสัยเรื่องของข้าน่ะพี่สารบอกปัดอย่างรําคาญว่าไงนะเรื่องของเจ้าหรอพูดอย่างนี้คงไม่ได้หมายความว่าเจ้าไปขโมยเงินของคนอื่นมาหรอกนะ เพถ้าเป็นเช่นนั้นข้าคงต้องไปแจ้งให้ท่านหัวหน้าหมู่บ้านรู้เสร็จแล้วล่ะทวินกล่าวอย่างคนเจ้าเล่ข้าไม่ได้ขโมยใครมาทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านเทวดาตรงศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านให้ข้ามาข้าขอของข้ามาเองพิ่สารรีบบอกนั้นหรือไม่ขโมยใครมาก็ดีแล้วจะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังนะเพื่อน ทวินวาเสมือนหวังดีแต่ในใจนั้นลุกโชนด้วยเปลวเพลิงแห่งความอิจฉาดังนั้นทวินจึงรีบลาพี่สารกลับบ้านโดยอ้างว่าปวดหัวอยากพักผ่อนแต่แท้จริงแล้วกลับเดินมุ่งตรงไปยังสารพระภูมิท้ายหมู่บ้านทันทีท่านเทวดาทวินยกมือไหว้อยู่หน้าสารพระภูมิข้าเป็นเพื่อนกับพี่สารคนที่ท่านมอบเงินทองมากมายแก่เขา ฝ่ายเทวดาเมื่อได้ฟังคำทวินอยู่ในสารพระภูมิก็รู้สึกขบขันเหลือประมาณเออสวรรค์ช่างจับคนโลภกับคนที่อิจฉามาเป็นเพื่อนกันได้เป็นคู่ที่เหมาะสมกันดีแท้เสมือนผีเน่ากับโลผุก็ไม่ปานเห็นทีว่าเราคงต้องให้บทเรียนสักอย่างกับเจ้าสองคนนี่เสี็จแล้วเมื่อคิดได้ดังนั้นเทวดาก็ส่งเสียงออกไปกล่าวแก่ทวินว่า เราคือเทวดาเราจะให้สิ่งที่เจ้าต้องการจงขอเรามาท่านเทวดาข้าเป็นเพื่อนกับพิศสารมาช้านานเมื่อเขาได้อะไรข้าก็สมควรจะได้ในสิ่งเดียวกันนั้นด้วย อ, อ๋อแต่ไม่ละ่ะข้าเชื่อว่าเขาจะมาขอท่านอีกรื่อเรื่อยเพราะฉะนั้นหากพิศสารขอสิ่งใดข้าขอของสิ่งนั้นมากกว่าอีกเท่าตัวทวินร้องขอ ย่อมได้ข้าจะให้ตามที่เจ้าขอแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเจ้านั่นก็เป็นเพราะความโลภและความขี้อิจฉาของพวกเจ้าเองจําเอาไว้ให้ดีเทวดากล่าวเตือนสิ่งที่ข้าจะได้ก็มีแต่เพียงความร่ํารวยมั่งคั่งเท่านั้นล่ะท่านที่สําคัญข้ายังมีมากกว่าเพื่อนของข้าอีกด้วยซึ่งสําหรับข้าแล้วนี่ถือเป็นเรื่องที่สําคัญนักแล ทวินพูดอย่างกระยิงใจก่อนจะกราบเทวดาแล้วเดินกลับบ้านไปเทวดามองตามทวินแล้วยิ้มอย่างสมเพชเวทนาเล็กน้อยวันรุ่งขึ้นพิสารก็มาหาเทวดาแล้วกล่าวขอทรัพย์สมบัติอย่างอื่นอีกเจ้าทวินคนถ่อยมันขี้อิจฉานักเห็นว่าข้ามีแล้วอยากได้บ้างซ้ำยังขอมากกว่าข้าเสียอีก ดีละท่านเทวดาครั้งนี้ขอบ้านหลังใหญ่ๆให้ข้าสักหลังนะท่านได้สิเทวดาว่าบ้านหลังใหญ่รอเจ้าอยู่แล้วไม่นานนักพิ่สารก็วิ่งกระหืดกระหอบมาหาเทวดาอีกเจ้าทวินมันได้บ้านหลังใหญ่กว่าข้าอีกแนะ่ดีละ่ะครั้งนี้ข้าขอค้าค า, าดบริเวณมากมายมาไว้ใช้สอยนะท่านเทวดาได้สิ ข้าถาดบริเวณมากมายรอเจ้าอยู่แล้วสักพักพี่สารก็มาหาเทวดาอีกขอที่ดินกว้างสุดลูกหูลูกตาให้ข้าด้วยเถิดท่านเทวดาข้าจะเอาไว้เสริมบารมีหลังจากนั้นพี่สารก็มาหาเทวดาเพื่อขอทรัพย์สมบัติอีกเรื่อยๆอย่างไม่รู้จักพอแต่ไม่ว่าพี่สารจะขออะไรทวินผู้เป็นเพื่อนก็จะได้มากกว่าเป็นสองเท่า ทำให้พี่สารรู้สึกโมโหและหงุดหงิดใจเป็นอย่างมากวิธีเดียวที่จะช่วยดับความรู้สึกนี้คือการไปขอทรัพย์สมบัติเพิ่มจากเทวดาดังนั้นพี่สารจึงรีบไปหาเทวดายัางศาลพระภูมิท้ายหมู่บ้านทันทีแต่เมื่อไปถึงก็พบทวินนั่งกราบไหว้เทวดาอยู่ในที่นั้นแล้วจะมาขออะไรกับท่านเทวดาอีกล่ะเพื่อน ทวินร้องทักพิสารด้วยรอยยิ้มที่ไร้ความจริงใจเที่สุดแกอยากจะรู้ไปทำไมเล่าหรือจะได้ขอตามค่าด้วยอย่างนั้นรึพิสารโตอตอบอย่างหัวเสียอ๋อทวินรักเสียงยาวข้าไม่จำเป็นต้องรู้หรอกว่าเพื่อนขออะไรเพราะถ้าเพื่อนขออะไรข้าก็จะได้สิ่งนั้นมากกว่าเพื่อนเป็นสองเท่าเสมอแหละตลอดมา เมื่อข้ามีอะไรเจ้าก็จะไปสรรหาสิ่งที่ดีกว่าและมีมากกว่ามาไว้ที่ตัวเองเสมอเจ้ามันเป็นคนที้ฉาเห็นคนอื่นมีแล้วทนไม่ได้ต้องมีอย่างเขาด้วยพิษสารต่อว่าเพื่อนอย่างรุนแรงอยยาว่าแต่คนอื่นเขาเลยเพราะเจ้าเป็นคนไม่รู้จักพอละโมบโลกมากอยากได้นั่นได้นี่ไม่มีที่สิ้นสุดใช่ข้าอิจฉาเจ้าก็แล้วจะทาไมอย่างไร ข้าก็ต้องได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มากกว่าเจ้าเสมอไปนั่นแหละพิสารฟังทวินหัวร้อยย่อตนแล้วรู้สึกเดือดดานเป็นอย่างมากเขาโกรธจนเลือดขึ้นหน้าโดยไม่ได้ทันคิดอะไรให้ดีเสียก่อนพิสารก็ร้องขอเทวดาออกไปว่าท่านเทวดาข้าขอให้ดวงตาของข้าเหลืออยู่เพียงข้างเดียวเท่านั้นเทวดาให้พร น, นั้นตามความปรารถนาทัานที ดังนั้นพิสารคนละโมบจึงเสียดวงตาของเขาไปข้างหนึ่งส่วนทวินคนขี้ฉาก็สูญเสียดวงตาของตนไปทั้งสองข้างข้าบอกเจ้าแล้วการได้อะไรมาโดยไม่ชอบนั้นมักนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเสมอเทวดากล่าวพร้อมกับหายตัวกลับสวรรค์โดยไม่ลงมายังโลกมนุษย์อีกเลย ส่วนพิสาและทวินนั้นได้ใช้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่ได้รับจากเทวดามารักษาดวงตาที่มืดบอดและอำนวยความสะดวกให้แก่ชีวิตที่ไร้ดวงตาของตนไปจนหมดสิ้นสุดท้ายพวกเขาก็สิ้นเนื้อประดาตัวกลายเป็นคนพิการที่มีชีวิตลำบากลํำบนไปจนสิ้นอายุไขเธอทั้งหลาย เห็นจะไม่ผิดนักหรอกถ้าจะบอกว่าความโลภ ก, กับความอิจฉานั้นเป็นเพื่อนที่รักกันมากทีเดียวพราะเมื่อความโลภและความอิจฉามาคล้องเกี่ยวใกล้ชิดกันแล้วต่างก็รังแต่จะชักนำกันไปสู่ความหายณะอย่างสนุกสนานความโลภไม่เกี่ยงงอนความอิจฉาและความอิจฉาจะไม่มีวันปฏิเสธความโลภ ทั้งสองเป็นหายนะแห่งชีวิตมนุษย์ที่คอยเกื้อนหนุนกันอยู่เสมอความรู้จักพอนั้นสำคัญมากทีเดียวเธอเอ๋ยเพราะความพอใจจะเป็นเสมือนเกราะแก้วคุ้มครองเธอให้พ้นจากภัยแห่งความโลภและความอิจฉาหากเธอมุ่ง ม, มั่นที่จะทำอะไรสักอย่างและเธอก็พยายามจนถึงที่สุดแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเช่นไรเธอก็ควรพอใจในผลที่ออกมานั้น แล้วครั้งต่อไปเธออาจจะพยายามทำให้ดีขึ้นอีกก็ได้แต่ไม่ต้องพยายามจนทำลายความรู้จักพอในตนเองแล้วเปิดโอกาสให้ความโลภรวมทั้งความอิจฉาเข้ามายึดครองหัวใจที่บริสุทธิ์ของเธอได้หากเธอมีไม่มากเท่าคนอื่นแต่เธอรู้สึกว่าชีวิตตนเองก็มีความสุขที่สุดแล้วเธอจะอยากมีไปทำไมอีกเล่า ถ้าเธอมีดมากเท่าคนอื่นแต่ต้องสูญเสียความสุขทั้งชีวิตไปเธอจะยอมแลกกับมันจริงๆหรือ